สมาธิในขั้นนี้ประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัค ข, ขตาคือความเป็นหนึ่งของจิตอยู่รลอมถ้าเรียกว่าสมาธิขั้นนี้อยู่ในขั้นปฐมฌานในขั้นต่อไปถ้าหากว่าจิตหยุดบริกรรมภาวนาหยุดตั้งใจจดจ้องต่อบริกรรมภาวนานั้นวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปีติสุขเอกัค ข, ข, ขตา ในขั้นนี้จิตสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่สองขั้นต่อไปจิตปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุขเอกับขตาคือความเป็นหนึ่งของจิตได้แก่สมาธินั่นเองจิตขั้นนี้อยู่ในฌานขั้นที่สามเรียกว่าสติยฌานขั้นต่อไปจิตปล่อยวางสุกยังเหลือแต่เอกับขตาคือความเป็นหนึ่งของจิตกับความเป็นกลางของจิตเรียกว่าอุเบกขา จตอยู่ในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในขั้นฌานจะตุทะฌานฌานขั้นที่สี่การทําสมาธิในเบื้องต้นนี้ให้กําหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคขาตาไปตามลําดับลําดับเพื่อจิตไปถึงฌานขั้นที่สี่เมื่อจะตุทะฌานแล้วจะมีลักษณะจิตนิ่งสว่างร่างกายหายไปหมดลมหายใจไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้น นิ่งสว่างสวัยเป็นตัวของตัวอยู่อย่างเด่นชัดไม่ได้อาศัยสิ่งใดทั้งสิน้นจิตเป็นจิตเรียกว่าจิตอยู่ในจิตสมาธิขั้นนี้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าเป็นชานก็เรียกว่าอัปปนาชานหรือจตุธาฌานเป็นสมาธิในขั้นตน้นสมาธิตั้งใจชานขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นสมาธิสาธารณะทั่วทั่วไปของทุกรัฐศาสนาที่มีการทำสมาธิรัชการบำเพ็ญานนี่มีมาก่อนพุทธกาลแม้แต่ในตอนต้นๆพระพุทธเจ้าเสด็จออกบัพพชาแสวงหาธรรมะเป็นเครื่องตรัสสรู้พระองค์ก็ได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักของฌานในสำนักของดาบ ท, ทั้งสอง ซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำนานพุทธประวัติศึกษาจนกระทั่งจบหลักฐานของดาบด ท, ทั้งสองแล้วเราองเห็นว่าแนวทางของท่านดาบนั้นไม่เป็นทางที่จะตัดกรลุเป็นประสัมมาสมพุทธเจ้าได้เพราะสมาธิอยู่ในขั้นฐานนั้นเราจะรู้สึกว่าหมดกิเลสเฉพาะอยู่ในสมาธิ แต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วอาการของกิเลสยังมีปรากฏอยู่รเราก็ได้เจ้าท่านมาลูท่านในตรงนี้ท่านสามารถทำเจิตให้ไปถึงสมาบัติขั้นที่แปดคือในวระสัญญาลาสัญญายะตะละตามหลักสูตรของขลังในว่าเจตอยู่ในขั้นนั้นจิตมันก็ว่างโปรง่งสว่างไม่มีอะไรปรากฏแม้แต่สัญญาอารมณ์ก็ปรากฏอยู่เพียงเล็ดหน่อยเท่านั้น รู้สึกว่าจิตเบาสบายแต่เสร็จแล้วเมื่อออกมาจากคานขั้นนั้นมาสู่ภาวะความเป็นธรรมดาอย่างที่เรานั่งคุยกันอยู่เดี๋ยวนี้สภาพจิตในเมื่อประสบอารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันก็ยังมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจพระองค์จึงรู้ว่าอ่าวนี่มันยังมีอาการของกิเลสปรากฏดอยู่ การบรรลุทานตามหลักสูตรของศาสนาพราหมณ์จึงไม่ใช่ทางตัดทะลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันสูงเป็นสมาธิระดับสูงจนเกินไปสมาธิท่านเนวาสัญญาณาสัญญายตนะมันเป็นสมาธิที่อยู่เหนือโลกถ้าจะขีดสั้นตายลงไปก็อยู่ในระดับพรหมโลกไม่ใช่มนุษย์โลกเสยแล้วที่นี้พรหมโลกท่านนี้มันเป็นพรมที่ไม่มีตัวไม่มีตน มันไม่แต่ความว่างในเมื่อไม่มีความว่างจิตมันไม่มีเครื่องรู้จิตราสจากเครื่องรู้สติสัมปชัญญะมันไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่ใช่ทางเส็จแล้วแล้วจึงย้อนหัวกลับมาที่กายพระองค์หวนกลับมาที่กายอย่างไรโดยมากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่านาภาสติ ก็ระฉะนั้นหลักอาณาปารสตินี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนเราและก็ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะการเจริญอาณาปารสติกรรมฐานการเจริญอาณาปารสติกรรมฐานเนี่ยมีผลหลายอย่างในขั้นต้นหนึ่งสามารถทําจิตให้สงบลงไปสู่ขั้นสมถกรรมฐานได้ ประการที่สองเมื่อผู้ภาวานามีจิตตามกระแสลมลู่เข้าไปข้างในสามารถมองเห็นอสุภกรรมาฐานภายในตัวของเราเองได้ประการที่สามลมหายใจเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นและความตายในเมื่อเราสูดลมเข้าไปลมไม่ออกเราก็ตายในเมื่อลมออกมาแล้วลมไม่เข้าอีกเราก็ตายเราจรึงได้มรณานุสติกกรรมาฐานพร้อมกันไปด้วย ทีนถ้าหากว่าจิตสามารถรู้ความตายในขณะนั้นก็สามารถที่จะได้ธาตุธาตุกรรมฐานเกิดขึ้นมาด้วยเพราะถ้ า, าจิตมองเห็นว่าร่างกายของตัวเองตายแล้วร่างกายมันจะแสดงอาการคลืนอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวลงไปเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วครั้งสุดท้ายจะเหลือแต่สภาพจิตที่ว่างสว่างโป่งอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้น ท้ายที่สุดแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่มันจะหายไปหมดในความรู้สึกโลกแผ่นดินก็ไม่มีโลกหมูสัตว์ก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาเหากาไม่มีทั้งนั้นในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นซึ่งมันปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงแล้วนี่ในทางปฏิบัติเมื่อท่านฟังฟังมาอย่างนี้แล้วท่านก็พอจะรู้ได้แล้วว่ากายกับจิตนี่มันแยกออกจากกันได้ กายกับอาจิตกับอารมณ์สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นภพเจตของผู้ปฏิบัติสามารถที่จะเป็นไปได้ถึงขั้นนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาพุโทโธแต่การบริกรรมภาวนาพุโทโธนี่จิตไม่ถึงอัปนาสมาธิอพอภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธลงไปสักหน่อยหนึ่งพอใจสงบร้างลงไปแล้วคําว่าพุโทโธหายไป ในขั้นต่อไปผู้ปฏิบัติจะทำอย่างไรให้น้อมจิตไปดูลมหายใจกาหนดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตามลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่ดูลมหายใจอยู่นั้นลมหายใจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามให้ทำสติตัวเดียวอย่าทำความเอะใจให้เกิดขึ้น ลมหายใจก็ดีอาการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจก็ดีหรือบางทีลมหายใจมีอาการคล้ายๆกับว่ามันจะหายขาดไปก็ดีอาการเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์ที่สร้างสติให้เกิดเป็นมหาสติตามหลักของมหาสติปัฏฐานกายานุปัฒนาสติปัฏฐานสติตามรล้กาย เริ่มต้นด้วยการตามรู้ลมหายใจเข้าออกคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลมหายใจเข้าออกนี้จะเป็นสื่อนาจิตให้สงบเข้าไปอยู่ในส่วนกลางของกายในเมื่อจิตเข้าไปสงบอยู่ในส่วนกลางของกายแล้วลักษณะของจิตสงบจะต้องนิ่งแล้วก็มีแสงสว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึกความสว่างอันนั้นสามารถมองทะลุออกมาข้างนอกกาย บางทีมองเห็นกายของตัวเองเป็นแก้วโปรงไปหมดแท่งไปที่ผมเห็นผมเป็นแก้วแท่งไปที่หนังเห็นหนังเป็นแก้วแท่งไปที่กระดูกเห็นกระดูกเป็นแก้วไปหมดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอิทธิพลของจิตที่มีความใสสะอาดสว่างในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ เจตที่บริสุทธิ์สัมผัสสิ่งใดขึ้นมาย่อมเป็นของที่บริสุทธิ์สะอาดเช่นเดียวกันกับดวงจิตที่มีความบริสุทธิ์อันนี้คืออิทธิพลของจิตที่มีสมาธิมีสติปัญญาบ้างพอสมครูรณเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินั้นในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบพอที่จะน้อมไปสู่อะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกว็คุณหมอทั้งหลายเนี่ยอาตมาใกล้ที่จะขอแนะนําให้แท่ง ดูอาการสามสิบสองแม้ไม่เป็นไปตามลำดับดังที่หลักสูตรธรรมะที่ท่านวางไว้ก็าตามสมมติว่าท่านอาจจะเคยผ่าศพวิจัยศพในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทำเจตนึกตามที่ท่านศึกษาท่านผ่าท่านจัดท่านดู แท่งจ้องลงไปให้มันชัดเจนลงไปด้วยสัญญาที่จำเอาไว้นั้นแท่งบ่อยๆพิจารณาหนึ่งๆคิดกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเราเคยทำอะไรมาก็นึกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิในเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วสิ่งที่ท่านนึกคิดนั้นจะกลายเป็นภาพนิมิตปรากฏในความรู้สึกในจิตของท่านอย่างแจ่มชัด ถ้าหากว่าท่านสามารถทําได้ได้ดังที่กล่าวมาแล้วสมาธิของท่านจะกลายเป็นจะทําให้จิตของท่านเกิดมีพลังพลังจิตของท่านสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาโรคภัไยไข้เจ็บแก่คนไข้ได้เป็นอย่างดีคนที่มีสมาธินี่เป็นได้เพียงใช้คาพูดกับคนไข้ บอกว่าทำใจดีๆทำใจให้เข้มแข็งโรคของคุณจะหายคุณไม่ต้องตกใจฉันจะช่วยให้คุณหายคนต้องหายแน่ๆโคดอย่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยให้คนไข้มีอาการดีขึ้นเพราะพลังจิตของเราที่มีสมาธิอีกอย่างหนึ่งผู้ที่เคยผ่านการทำสมาธิมาบ้างพอสมควรแล้ว อย่าไปเผอเผลอแช่งใครเขานะถ้าเขินไปแช่งแล้วมันจะเป็นไปตามที่เที่เราแช่งปากของคนทำสมาธิเป็นปากที่มีสัตว์มีสีลในมาพูดอะไรลงไปแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้หมายถึงการทําสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาและจุดมุ่งหมายของการทําสมาธินี่ย เพื่ออะไรนักปฏิบัตินักสมาธิทั้งหลายยังเข้าใจผิดกันอยู่เป็นส่วนมากการทำสมาธินี่ต้องรู้ทำสมาธินี่ต้องเห็นทำสมาธินี่ต้องมีิทธิลิศเข้าใจกันไปใะอย่างนี้ ที่นี้เมื่อเราไปสําคัญมั่นหมายที่จะเอาต้องมีเครื่องอจะต้องมีความรู้ต้องมีนิมิตต้องเห็นโน่นเห็นนี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ถ้าเผื่ว่าเราทําไม่ได้อย่างที่ว่านั้นเราก็เกิดท้อแท้แต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องถือว่าเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่ที่เทียงเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์ เพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้มีสติจนกลายเป็นมหาสติไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดเอาเป็นที่พึง่งแต่สิ่งที่เราจะพึ่งยึดเอาเป็นที่พึง่งนั้นคือตัวสติที่เด่นชัดขึ้นสติที่เด่นชัดขึ้นนี้มันกลายเป็นสติพละเป็นสติมีกาลังในตอนตอน้ตนๆกาลังของสติมันแผ่ซ่านไปอยู่ทั่วกายหรือแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ แต่เมื่อสติรวมพลังเข้าเป็นหนึ่งมันก็กลายเป็นสตินสี่เป็นสตินสี่คือความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งกลุ่มเป็นใหญ่สามารถที่จะประครับประคองจิตให้อยู่ในสภาพที่มีความสงบประครับประคองจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงในเราต้องการความมีสติเท่านั้น ในเมื่อสติตัวนี้เราอบรมให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้แต่อารมณ์ภายในจิตความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นตว์แต่ว่าสัมผัสรู้ไม่มีการยึดถือในสิ่งนั้นๆรู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้แสดงว่าสติของเรามีกําลังขึ้นแล้วก็เป็นใหญ่ในสภาวะธรรมทั้งปวงในเมื่อเรามีสตินรีเป็นใหญ่อยู่ภายในจิตของเรา จิตของเราก็สามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้ตั้งแต่ขั้นต่าขั้นกลางขั้นละเอียดในที่สุดก็สำเร็จมกผลนิพพานตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นขอย้าอีกทีหนึ่งว่าการพิจารณาอะไรก็ดีการบริกรรมภาวนาก็ดีสิ่งที่เราต้องการเป็นผลงานของเหล่านั้นคือสติตัวเดียวเท่านั้นทำสติให้เป็นใหญ่โดยเด็ดขาดในจิตในใจในกายของเรา เมื่อสติเป็นใหญ่โดยเด็ดขาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่วุ่นวายสิ่งที่เป็นใหญ่ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือมีสติเป็นใหญ่ในกายของเรานี่มีอะไรบ้างที่เป็นใหญ่โดยธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วตาหูจมูกเล่นกายใจท่านเรียกว่าอินทรีย์ ที่เรียกว่าเอ็นซีก็เพราะเขามีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของของเขาเองโดยไม่มีใครจะสามารถก้าวไายหน้าที่ของเขาได้ตามีหน้าที่ดูก็ดูอย่างเดียวจะอุตลิไปฟังช่วยหูไม่ได้หูมีหน้าที่ฟังก็มีฟังอย่างเดียวจะอุตลิไปช่วยดูกับตาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเป็นใหญ่ในกายของเรา ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดและเก็บอารมณ์สิ่งเอื่นจะไปก้าวไกลหน้าที่กันไม่ได้นี่คือความเป็นใหญ่ทีนี้เมื่อเราฝึกฝนอบรมสติตัวนี้ให้เป็นสตินสี่ให้เป็นใหญ่ในกายในจิตของเราแล้วสติก็กลายเป็นความเป็นใหญ่ภายในจิตของเรา สติวินโยเรามีสติเป็นผู้นสาสติจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนเข้าที่อาทความสามารถของสติจะบรรลให้เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายได้ภาวนาหรือพิจารณาธรรมไปถึงขั้นนา ม, มาธรรมคเคยใจสงบเงี่งสว่างแล้วมีแต่สิ่งรู้อันเป็นนา ม, มาธรรมวัตถุตัวตนไม่ปรากฏ ในเมื่อนานานเข้าสภาพจิดนั้นจะอ่อนกำลังลงในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะย้อนหันมาพิจารณากายเริ่มตน้นจะดูลมหายใจหรือพิจารณากายยกตาสติหรือพิจารณาตามแผนที่ท่านเคยพิจัยร่างกายของมนุษย์มาแล้วอาจจะมาว่าการเจริญสุภากรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีหรือการพิจารณาสาริละร่างกายอาการสามสิบสองกายยกตาสตินี่ก็ดี พวกคุณหมอทั้งหลายนี่ง่ายเพราะมีสัญญาเดิมอยู่แล้วอย่างพวกกฐตมาเป็นพระเป็นสงฆ์ไม่เคยผ่าเคยตัดศพมาไปนั่งเลิกหลับตาแทบเป็นแทบลายกว่าจะเกิดนิมิตขึ้นมาให้รู้แจ้งเห็นจริงท่านทั้งหลายมีอุปกรณ์อยู่แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งการทําสมาธิภาวนานให้เชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นเราภาวนาอะไรพิจารณาอะไรสามารถทําจิตให้สงบ สามารถทำจิตให้รู้ได้เราก็ยึดเอาว่นนั้นเป็นหลักของเราถ้าสมมติว่าท่านต้องการอยากจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในใจถ้าท่านเคยทำสมาธิมาแล้วให้ตั้งใจอธิษฐานจิตถามตัวเองเอาไว้ว่านี่คืออะไรแล้วก็พยายามทำสมาธิให้จิตว่างพอจิตว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะผดขึ้นมา สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจวิปัสนาจะเกิดขึ้นได้ต่อเราหมดความคิดความตั้งใจคือความว่างของจิตสมาธิก็เกิดการหมดความคิดก็คือความว่างของจิตวิปัสนาคือปัญญาก็เกิดสำหรับการเปล่าธรร ม, มะเป็นเครื่องประดับความโลกของบรรดาท่านทั้งหลายวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กละเวลาในท้ายที่สุดนี้ ด้วยอำนาจแทงคุณพระศรีรัตนชัยในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณธรรมจงดนบันดาลให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จที่ตนปึิงปรารถนาโดยทั่วกันคือสติที่เป็นใหญ่กินรีแปลว่าความเป็นใหญ่เฉพาะตัวถ้าพูดถึงบุคคลก็คือผู้มีอำนาจเฉพาะตัวสติก็คือความระลึก อินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่สติที่ระลึกเป็นใหญ่ในการระลึกเรียกว่าสตินรีแต่ลักษณะของสตินทรีย์นี่้าใครบำเพ็ญให้มีขึ้นพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตมันจะกลายเป็นอัจนมัติไปหมดบางครั้งบางท่านอาจจะเคยภาวนามามากแล้ว <c oughs> บางเอยู่เฉยๆจิตมันก็สงบโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือสตินี่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นในบางครั้งมันเกิดความโล้ขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจจนเรารู้สึกกำขาดอันนี้คือผลของความที่สติเป็นใหญ่ทีนี้เราจะเกิดสติเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการแท่งแท่งตามที่ ได้อธิบายให้ฟังเอากายของเราเนี่ยเป็นพื้นฐานจะเพ่งดูผมขนและพันหนังเนื่อยเอ็นกระดูกหรือตามแนวทางที่ท่านเคยได้วิจัยเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของผู้คนมาเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติมันจะช่วยให้เรารู้เห็นเร็วขึ้นในเมื่อเรารู้เห็นขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นสติมันก็มีกาลังเพิ่มขึ้น อันนี้แล้วแต่พลังจิตของเราถ้าเรามีพลังจิตสามารถที่จะบังคับจิตใจของคนอื่นได้มันก็เป็นไปได้ดีแต่จะจะด้วยประการใดก็ดีผู้ที่มีสมาธิแล้วคำพูดมันศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนอื่นได้ <c oughs> ถ้ า, าสมมติว่าใครก็ตามถ้าเกิดโกรธใครสักคนหนึ่งอย่าไปเช่งเขาให้ทําสมาธิให้แผลเมตตาให้เขามากๆ ในเมื่อเราแพ้เมตตาให้เขามากมากมันจะเกิดผลขึ้นมาสองอย่างอย่างหนึ่งเขามาดีกับเราอย่างที่สองถ้าเขาไม่ยอมดีเขาก็ทังไปเองเราไม่ต้องแช่งป็เป็นบาปแล้วทำให้เราเสื่อมคุณธรรมด้วยอละ ในว่าจิตสงบลงไปในตอนต้ น, นนี่จิตจะไปนิ่งเฉยอยู่ถ้าหากเราทำสมาธิสามารถทำให้จิตสงบนิ่งเฉยได้บ่อยๆสติสัมปชัญญะมันจะค่อยดีขึ้นแล้วก็ทำให้มันได้บ่อยๆอย่างนั้นคอยสังเกตตอนที่จิตถอนออกมาจากความเฉยแล้วมันจะเกิดความคิดขึ้นมาเมื่อเกิดความคิดอะไรขึ้นมาจ้องตามรู้ความคิดแต่นั้น รู้สักแต่ว่าเรามีความคิดอย่าไปช่วยอย่าไปช่วยิยวยจมันคิดอย่าไปตั้งใจคิดต่อเช่นอย่างความคิดผวดขึ้นมาพับมันนึกถึงใครสักคนหนึ่งก็รู้เพียงแค่นั้นอย่าไปนึกให้มันเลยเถิดไปกว่านั้นทำความรู้สึกสักแต่ว่าเรามีความคิดเท่านั้นคิดอะไรก็ได้ไม่สำคัญแล้วสติปัญญามันจะค่อยดีขึ้น การกําหนดตามรู้ความคิดตอนนี้แหละในเมื่อเราโูทำความคิดแล้วมันจะกลายเป็นภูมิปัสนาเพราะความคิดก็เป็นส ภ, ภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงแต่เราจ้องดูความคิดจิตของเราจะค่อยรูซ้ซึ้งซึงซึงไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดภูมิธรรมคือวิปัสนามันจะเกิดขึ้น ขอแต่ให้มีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตามแล้วภายหลังมาจิตของเรามันจะรู้ไปเองออันนี้มีสิทธิที่จะถึงนิพพานได้ <c oughs> ถ้าหากสมมติว่าญาติโยมชาวบ้านทั้งหลายทําได้อย่างที่ว่านี้เป็นดีที่สุด เวลานี้หลวงพ่อก็แนะนําให้ชาวบ้านทั้งหลายทําอยู่ที่บ้านของตัวเองก็ยังคุณหมอก็เคยไปพักที่วัดอา ต, ตมาก็ไม่เคยไปคุมไปนั่งภาะนั่งสมาธิสักทีมีปัญหาอะไรก็มาถามถามแล้วไปทําด้วยตนเองอยากจะให้ทุกๆ ท, ท่านทําไปโดยลําพังของตัวเองถ้าการทําสมาธิมีผู้คอยควบคุม บางครั้งจิตอาจจะตกอยู่ในกระแสแห่งการสะกดจิตทายิงทำสมาธิไปด้วยฟังเทศไปด้วยผู้เทศต่อแน้านำม่ทำจิ ต, จจตอย่างนั้นทำจิตอย่างนี้เมื่อจิตของผู้ฟังสงบเคลิมลงไปอยู่ในเครื่องหลับเครื่องตื่นในตอนนี้จิตมันจะยึดคำพูดแล้วกลายเป็นเรื่องการสะกดจิตไปทันที เพราะฉะนั้นจึงไม่นิยมที่จะไปนั่งเฝ้าหรือนําคนภาวนาถ้านั่งเฝ้าก็เพียงแต่ว่าเอาเวลานี้นั่งสมาธินะทำจิตทําใจกําหนดจากด้า น, นอย่างนี้เอาต่อไปนี้ไม่พูดทาความสงบกันทุกค น, คนจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกทีนี้นพอสมมติว่าเวลาล่วงเลยไปชั่วโมงสองชั่วโมงพอออกจากสมาธิแล้วใครมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ถามกันในขณะนั้น บางครั้งยังเคยเทศว่าพูออ้ญาติโอมพากันมาทําดีในวัดความดีมันก็หลั่งไหลเข้าวัดหมดถ้าหากความดีอันนี้มันจะทําให้รวยได้วัดก็รวยแต่ผู้เดียวญาติโยมก็พากันจนมเพราะมาสร้างความดีให้วัดเพราะฉะ่างนั้นการทําสมาธิภาวนาหรือสวดมนอยู่ในบ้านเนี่ยดีที่สุดเทศข้อรหัสไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน โูที่ไม่เคยบวชสําเร็จพระโสดาเช่นนางวิโสาสาขาอาณาทะเบนิกะก็ยังคลางเลือนอยู่พระเจ้าสุทธทนะฟังเทศก็ยังทรงเป็นเครือขัดจู่สาเร็จพระอรหันต์พระพาหิยะก็ยังแต่งเทศเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็สําเร็จทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เป็นหน้าที่อยู่ในเพศนักบวชนั้นเพระเาะฉะนั้นเรื่องเทศนี่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ การปฏิบัติอยู่ในภูมิของศีลห้าใง่ายที่สุดพระข้าที่จะพึงผิดวินัยนั้นมันน้อยเราเป็นเคโลหัดมีศีลห้าจะประดับตกแต่งร่างกายก็ได้มีครอบมีตัวได้รับทานอาหารเย็นได้ไม่ขัดข้องแต่ถ้าบวชเป็นชีแล้วทานอาหารเย็นภาวนาจิตไม่สงบบวชเป็นพระเป็นสงฆ์แล้วทานข้าวเย็นแบบภาวนาจิตไม่สงบ สงบได้ก็ไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะผิดศีลเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะครองศีลจำนวนมากๆได้อย่าเพิ่งริบวดดีกว่ารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วศีลแปดศีลสิบศีลสองร้ยี่สิบเจ็ดถ้าพื้นฐานมันดีแล้วมันไปเองพอมอนมนกับเราปลูกต้นไม้ทีนี้เมื่อเราปลูกลงไปแล้วมัน อย่างรากอย่างอะไรลงไปแล้วมันเจริญก็ออ ก, การแผ่กิ่งกา้านสาขาไปเองที่นี่เซนห้านี่ก็เปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆที่เราเริ่มปลูกลงเมื่อมันมีรากแก้วมันมันม่ น, นคงขึ้นมาแล้วกิ่งก้านสาขามันก็แตกสาขาแผ่กระจายไปเองเพราะงั้นอย่าไปสงสัยเลยไอ้เป็นฆราวาสจะภาวนาไม่ได้ไดีไปดีเอาวะไง ภาวนาแล้วมีอาการเคลิ้มเคริมอาการเคลิ้มเคลิมคืออาการนอนหลับจิตมันจะหลับเหมือนกับการจะนอนหลับอย่างธรมธรมดาธรรมดาแต่โดยธรรมชาติของจิตที่จะเป็นสมาธิที่เก้าวลงไปในยินระยะแรกนั่นคือการนอนหลับอย่างธรรมดามีอาการเคลิ้ ม, มแล้วก็วูบลงไปถ้าตกใจตื่นจิตถอน ก็มาตั้งต้นใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ตื่นวูบลงไปแล้วปล่อยให้มันเป็นไปจกนกระทั่งหยุดวูบนิ่งพอเกิดนิ่งพับถ้านอนหลับธรรมดาก็มืดไปเลยทีนี้ถ้าเป็นสมาธิพอนิ่งพับสว่างโพิ่ขึ้นมาอาการวอบนั่นเป็นอาการที่จิตจะก้าวลงสู่สมาธิกำลังจะได้ผลแล้วเชิญทำต่อไป เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการปลูกหมอนเลี้ยงไหมถ้าหากสมมติว่าเราเลี้ยงเองทาเองไม่มีใครเขาทาให้กฎหมายความว่าเลี้ยงเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาแล้วเอาหมอนเอาไหมไปต้มเองสาเซตไหมเองอันนี้มันก็เป็นปาราติบาทแต่ถ้าเพียงแค่ว่าเราไปแ้ะนาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแล้วก็ ในเมื่อเขาทำลงไปแล้วเขาจะรู้จักเอาประโยชน์ก็ตามไม่รู้ก็ตามนั่นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสั่งเขาละอันนี้มันก็ไม่เป็นปานาริบตัตทีนี้อย่างสมมติว่าหลวงพ่อในไปเที่ยวเทศในไกลเขาฟังว่าประโยชน์สามอุทาและสัมปทาประโยชน์ปัจจุบันต้องถึงค้อมในความมันมันขยันในการทางาน ที่ถ้าเผิดว่าคนทั้งหลายมีงานมีหน้าที่การงานต่างๆกันคนที่มีหน้าที่ราช ก, การก็ค่อยังชั่วหน่อยแต่ถ้าเกิดมีคนร้ายที่เป็นมือปืนคอยรับจ้างฆ่าคนพอฟังเทศหลวงพ่อแล้วเขาไปขยันยิ่งขึ้นเขาเลื่อนใส่ในคําเทศหลวงพ่อจะไม่ตกแร้ลกใต้เลยนี่เราพิจะรอนเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน